นะโมทัสสะอโกวะโตราโตสมมาสมพุทธะนะโมทัสสะอโกวะโตราโตสมมาสมพุทธะนะโมทัสสะอโกวะโตราโตสมมาสมพุทธะ ทางธรรมท า, างขังนธสามิสุดสุดสังละปตปัญญงเท <c oughs> ขอนอกน้อมตอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเจริญพรสรัทธาสาธุชนคนบญทุกทุกคน โลกกาสต่อที่นี้ไปขอขอให้ทุกคนเข้าฌาความสงบสงบกายสงบว่าจาแล้วก็สงบใจทิ้งอดีตวางอนาคตให้รู้ปัจจุบันอดีตไม่กำหนดมันผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาอนาคต ยังไม่มาแต่ว่าให้นึกถึงปัจจุบันอดีตไม่คำหนึ่งนาคตไม่คำานึงนึกถึงปัจจุบันปัจจบานาท ร, ร ม, มาบุคคลเห็นรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นๆอย่างเข่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคลนคนพ่อคุนลาการเช น, นนั้นอันไว โลปัจจุวันทำไมจึงภาวนาไปในตัวทานเราก็ทานมาแล้วเมื่อช้านี้ก็รับไม่บาดไม่ไหวนะหัวใจของคนบุญปัจจัยทายทานสินก็ความบริสุทธิ์นี่แหละคนสินคนทานถ้าคนไหนมีทานแล้วมีสินแล้วสักขะ อารมัเร์เลดีใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์ปัจจุบันก็มีความสุขอ น, นาคตทางหน้าก็มีความสุขสุขคติกา น, นต้องหวังอายใสงของศีลศีเรณนะสุขคติยันติปัจจุบันก็มีความสุข จากโลกนี้ไปวันไหนก็ย่อมเข้าสู่สุคติเหนั้นต้องหวังเป็นหน้าที่ของเรา <c oughs> ทานศีลเดี๋ยวก็ภาวนานั้นกับเราเดี๋ยวนี้ได้ภาวนาไปในตัวนะดูตัวเองดับตาแล้วก็ดูใจทำใจให้สบาย ทำกายให้เบาทำจิตให้ว่างทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ยากไม่ง่ายไม่ดีไม่ชั่วแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์เมื่อตอเรายากกับเขาเราไปทุกข์กับเขาเฉยๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติเราจึงทำใจทำกายให้ ทำใจใสบายทำกายให้เราทำจิตให้ว่าถัดเครื่องบริโภคกังวลทั้งหลายทั้งพวองออกการนี้เวลานี้ขณะ น, นี้เราจะภาวนาทำไมจึงภาวนาทานศีลแล้วก็ภาวนาบอกเกิดแห่งความสุขบอกเกิดแห่งบน ภาวนาใหม่บุญสําเร็จเพื่อการเจริญภาวนา <c oughs> ถ้าไม่เป็นบุญพระพุทธเจ้าจะสอนว่าทําไมโพธิสวิษัตถ์ตมาเห็นแก่ความเหนื่อยยากลําบากเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนทั่วไปบ่อเพชรบ่อพลอยเขาก็มีบอ่อเขาก็มีเพชรมีพลอยนะบอน้ํามันเขาก็มีน้ํามันนี้ก็อกเกิดแห่งบุญ พุทธวริษัทคือผู้รู้ทานะใหม่ผลสำเร็จด้วยการให้ทานเราก็พร้อมสีระไหมุญลสำเร็จด้วยการรักษาศีลเราก็มีแล้วภาวนาใหม่ที่เราไม่ชอบที่สุดนะภาวนาหลับตาดูตัวเองดูใจแต่วันนี้มันยากกว่าทำงานนะทำงานทั้งวันก็ไม่เหนื่อยนะ แต่ว่าหลับตาดูใจภาวนาชั่วโมงหนึ่งโอ้ยแทบตายเลยอันกิเลสมันขัดขวางมันกีดกันๆังกันให้จิตของเราบรรลุ ค, ความดีท่านเห็ว่ากิเลสสมานแต่ว่าพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นบุญท่านก็ไม่สอนนะภาวนาไม่บุญสำเร็จเพื่อการเจริญภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นมาซึ่งคุณงามความดี ท่านไม่ให้นอนหลับท่านจิตใหอยู่เฉยๆนะให้ภาวนาให้ทำเราทำดีก็ดีกว่าขอพรความดีทำนั้นดีทำแล้วมีความสุขสุขปัจจุบันสุขอ น, นาคตถ้าจิตของเราเลยพักพรมีความสุขนะกําลังกายเคลื่อนไหวข้อกําลังกายจะเข้าแข็งแรงนะ คนที่ไม่ออกกําลังกายโอ้ยไม่แข็งแรงเลยไม่ออกกําลังก็เลยไม่แข็งแรงแต่กําลังใจคือความสงบถ้าจิตของเราสงบชั่วขณะหนึ่งคณิกัสมาธิเราก็มีความสุขคณิกัสมาธิอุป จ, จารสมาธิอภปนาสมาธิกําลังใจคือความสงบ ทำไมเราจึงภาวนาให้จิตของเราสงบหาวิธีการ <c oughs> ถ้าจิตของเราสงบมันเป็นบุญทางสมบุญนําสุขมาให้สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบให้มีสุขทางโลกีมีนะไม่ใช่ไม่มีสามิสุขสุขอิงามิตรสุขโชคผู้ช่วยามเพลี้ยวเรียวมันก็าหาย ทุกคนผ่านโลกโซนมาหมดแล้วมันไม่จบสามิสุขสุขเองรามิสเรื่องโคตรชยามแต่ว่านี่รามิสุขสุขเองธรรมะสุขเกิจากการนั่งสมาธิจิตของเราสงบนี่แหละมันสุขทางใจปิติก็มีิจใจปัจฉิติความสงบสมาธิความตั้งใจมั่น หนักแน่นมั่นคงถ้ะเจ้ว่าจงยังสมาธิให้เกิดจิตเป็นสมาธินี่เป็นบุญนะเป็นบุญเป็นสมถะเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะรู้เท่าตามความเป็นจริงเกิดปัญญาภาวนามยญปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนา <c oughs> การภาวนานั้นได้ทั้งบุญ แล้ ว, ลวอะรทังหุดสนด้วยเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญานั้นก็บารชาว่ากายเรียบร้อยศินนะนามเรื่องต้นคือศินท่ามกลางสมาธิเรื่องปลายคือปัญญากายเรียบร้อยศินรัก <c> ษ <oughs> าใจมั่นสมาธิศีลาแจ้งเพื่อไม่หวั่นไหวเพราะลมฉันใดลมมีอยู่ แต่ว่าหินชิรามันไม่วันไหวลมมาขนาดไหนมันก็ไม่ปิวนะไม่เหมือนนุ่นใจเบาเหมือนนุ่นพอ <c oughs> ลมมาก็ปิีแล้วใจไม่หนักแน่นใจไม่มั่นคงรักษาใจมั่นสมาธิรอบรู้ในกองสังขารตามความเป็นจริงนั่นเป็นปัญญานะ รู้แต่ไม่รอบสัญญาความจำความจำนะรู้ไม่รอบถ้ารอบรู้ในกองสันขานตามความเป็นจริงนั้นเป็นปัญญาส่วนมากสัญญามีเยอะความจำรู้แต่ไม่รอบอะไรก็รู้หมดแปลว่ามนันษย์ไม่ไหวทำอะไมก็โดดไม่ไหวมันไม่รอบ โรดแต่ไม่รอบไม่เห็นโทษของบาปกรรมแต่ว่าเลยอดไม่ไหว <c oughs> รู้ไม่รอบมองไปแต่ข้างหน้านูนไม่อะไรข้างหลังหลวงพ่อชาว่าเอ้ของหีมันอยู่ข้างหลังนะอย่ามองไปแต่ข้างหน้าถ้ามองไปแต่ข้างหน้ามีแต่สัญญาความจำ มีแต่เอ้านะอะไรก็เอาหมดคิดไม่ถึงปัญญาไม่ถึงหารู้ไหมว่าเอาหมดแต่ว่าทิ้งหมดนะเอาหมดทิ้งหมดโดกระนี้เป็นอย่างนั้นถ้าปัญญาไม่ถึงแล้วของที่เราจะเอาแต่ไม่ได้ของที่เราจะได้ไปรวดแต่ไม่เอาปัญญาไม่ถึง โรกทั้งโลกนี้กินเพื่ออยู่อยู่ก็อยู่เพื่อจากความจริงจะอาชีพอะไรก็ตามทำมาหากินเพื่อปากเพื่อท้องประทังชีวิตสืบสืบวันไปผลสุดท้ายก็จากโลกนี้ไปอยากจะอยู่ก็ไม่ได้อยู่นะอาชีพอะไรก็ตามสร้างฐานะครอบครัว ความรอยมหาศาลอิมแล้วก็หยุดนะมีเท่าไหร่ก็ตามอิมแล้วหยุดเลยนี่เดอะประทันชีวิตผลสุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปเอาปัญญาสอนใจร้อยเราจะประมาทมัวเมา อ, อยู่ทำไมเราจะต้องพรัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นไม่อยากจะลยยินนะคำนี้ แต่ว่ามันรอเราอยู่ทั้งหน้านน่นอยู่เพื่อจากเมื่อมีการอยู่ร่วมกันก็ต้องจากกันแล้วโรคทั้งโลกสายไปหลายชคคนเดียวนะมันเป็นอยู่อย่างนี้กินเพื่ออยู่อยู่เพื่อจากแต่ถ้าเราไม่สั่งสมมุิไม่ทําความดีแล้วใจไม่มีความหมายความไม่เที่ยงแห่งสังขารความเป็นหน้ตายแห่งธรรม สังขานทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมราพวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ุกคนอื่นให้ถึงครอง้วยความไม่ประมาทเถิดเคยถามตัวเองว่างไหมเราเกิดขึ้นมาทำไมนี่เกิดขึ้นมาลื่นเดิมวันเทิงเพลิดเพลินสนุกสนานเกิดขึ้นมารับมารวยเกิดขึ้นมากรอบมาคยแต่ว่า ถ้าเราไม่สร้างประโยชน์มันก็ไม่เกิดประโยชน์นะจะรบด้วยมหาศาลขนาดไหนกันาตายอะไรไหมจะตายไปแต่คนจนคนรวยกันตายอะไรไหมจะรวยขนาดไหนมันก็กันาตายไม่ได้นะตายไปหลายชั่วคนแล้วท่านจะว่าเกิดขึ้นมาสร้างประโยชน์ถ้าไม่สร้างประโยชน์ก็ไม่เกิดประโยชน์ประโยชน์พรนี้เราก็หา สามาช่วเลี้ยงสี่โดยทางที่ชอบต่ว่าประโยชน์พบหน้าเราก็สร้างนะถ้าไม่มีพบหน้าพระพุทธเจ้าจะสอนไว้ทำไมประโยชน์พบนี้ประโยชน์พบหน้าถ้าประโยชน์อย่างยอดคือพระนิพพานเราจึงเกิดขึ้นมาสร้างประโยชน์เป็นบุคคลที่มีประโยชน์เป็นบุคลคลที่มีคุณภาพชีวิตนี้มีหวัง ถ้าคนไม่ทำความดีหมดหวังอยู่กับตายเขามิค่าเท่ากันความดีไม่เกิดตายจากความดีเรานี้ชีวิตนี้มีหวังเราไม่เป็นคนหมดหวังฟักไฟสนใจจงทําความพอใจเกิดขึ้นจงพยายามพารบความเพียรขยันมันเพียรพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วให้สั่งสมบุญ ให้ทำความดีเหมือนกับเรารับประทานอาหารวันนี้แก่อะไรนะแก่หิวนะถ้าอิ่มแล้วโอ้ยความหิวมันหายไปไหนนี่เหมือนกับไม่หิวสักทีเลยนะเรารับประทานอาหารมันแก่หิวความหิวมันหายอีมมันมานะ้แต่ว่าอิ่มก็อิ่มเพื่อหิวนะ เดี๋ยวความอิ่มมันหายความหิวมันก็มาอยู่แล้วเดี๋ยวก็อยากอีูแล้วตอนเย็นก็เอาอีกแล้วนะอิ่มเพื่อหิวมันแก้หิวนะรับประทานอาหารธรรมะนะแก้อะไรล่ะก็แก้หลงธรรมะแก้หลงเกิดปัญญาฟังด้วยดีย่มอมเกิดปัญญารู้จักโขคัพสมบัติ แล้วก็รู้จากภริยสัพ์ทรัพย์ของภริยเจ้าคือทรัพย์ภายในคือวุ้นาริยสัพ์โภคสัพย์สมบัติก็สมบัติของโลกโภคสัพย์สมบัติประโยชน์พบนี้ก็หานะแต่ว่าประโยชน์พบมากคตรสร้างอะไรประโยชน์พบนี้ ขยันมันเพียนไม่เกียจคร้านถ้าคนขยันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายนะร่วงทุกเพราะความเพียรทางทางโลกก็ไม่จนทางธรรมก็ไม่ทุกเพราะความเพียรเพื่อํำระจริตของตนให้หมดจดไม่เห็นแกนอนมากนะถ้านในปรารกความเพียร น, นะ ถึงพล้อง้วยความมันพระพุทธเจ้าสอนให้คนขยันไม่ได้สอนให้กนเกลียดคร้านคนเกลียดคร้านย่อมอยู่เป็นทุกข์นี่แล้วก็ให้รักษารักษาสิ่งรักษาของรักษาสุขภาพทําไมเงินทองหาง่ายเป็นของนอกกายไม่ตายหาง่ายต้องรักษาสุขภาพแลปรู้จักรักษา ทรัพสมบัติที่หามาได้แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีนะหัวใจเศรษฐีอวอากะสานกะเขากัญยาณมิตรกัญยาณชนกัญยาณธรรมกเราเป็นพี่เป็นน้อง ก, กันนะเป็นญาติเป็นมิตรกันนี่แหละกะเมื่อเราเป็นผู้ชน <c oughs> ทั้งแรก เขาเป็นปุถุชนคนมื่คนหนาะหลงกันมาหมดทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนที่รีมิตรที่รีชวนกันทําความดีดีพร ก, กันระยานชนปุถุชนมันเปลี่ยนจากปุถุชนคนมืดคนหนาะมาเป็ น, นระยานชนนะเพื่อนที่รีมิตรที่รีคบคนไหนจะเป็นเหมือนบุคคลนั้น เพื่อนไม่ดีเขาก็ชวนไปทําแต่ความชั่วฆ่าตัวเองแล้วรักตนต้องทําความดีรักตนทําชั่วเาวาขาบาปฆ่าตัวเองแล้วนี่แหละเราจึงกันระยาณชนเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีได้ทําบุญร่วมกันเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะคําสอนพระเจ้าฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาปัญญาชนนะปัญญาชน เป็นผู้มีปัญญารู้จักสิ่งที่ควรละสิ่งที่ควรบำเพ็ญรู้จักสิ่งไหนเราจะทิ้งรู้จักสิ่งไหนเราจะเอารู้จักแหว่งสันปันส่วนนะปัญญาชนสายจายาวไกลเพื่อจะก้าวเข้าสู่อริยชนนี่แหละจำเป็นจะต้องศึกษาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา พระสงฆ์องค์แรกได้เป็นพระโสรบันเมื่อก่อนมีแต่พระพุทธพระธรรมนะแต่เมื่อได้ฟังธรรมะธรรมจักกระเปวตรนสูตรพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นพ ญ, ญญาโคนธัญญะจนพระพุทธองค์เต่งอุทานออกมาว่าพญญาสิวัตโผโกนรัญโยรู้แล้วหนอรู้แล้วหนอให้ดวงใจรมนะทําไม เป็นพระสงค์องค์แรกพระพุทธองค์ก็เป่งอุทานออกมารู้แล้วหนอรู้แล้วหนอปัญญาคนัญยะได้ฟังธรรมะได้ลวงจ่ายทำเกิดปัญญาแล้วก่อนคิดไม่ถึงไม่เคยคิด <c oughs> ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องหลับไปเป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ เป็นธรรมราของโลกถ้าเรารู้จักธรมรมดาธรรมชาติม่นก็ดีนะแต่ถ้าไม่รู้จักธรรมชาติธรรมราเกิดก็หัวเราะตายก็ร้องไห้ทำไมไม่รู้จักความจริงโรคทั้งโรกเป็นมานานแล้วตายไปหลายชัวคนแล้ ว, พวเพราะพระองค์รู้ล่วงญาณจตุปปัตยานรู้จักการเกิดการตายของสัตว์ทั้งหลาย เป็นไปตามกามรรมตายมาหลายโชคนแล้ว <c oughs> เป็นไปตามกรรมสัดโลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมนี่แหละเราจึงเกิดปัญญาได้รวงใจเห็นธรรมสิ <c oughs> ่งใดสิ่งหน่มีความเกิดขึ้นก็เป็นธรรมราสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หลับไปเป็นธรรมราอันธรรมราของโลกนะเหมือนกับ นักบวชเมื่อ ก, ก่อนสืยก่าไปแล้วก็เป็นมหาหลวงปู่ชาบวชนานสวยก่าไปก็มีในพรรณาสองนะพรราหลวงแล้วพรรารราน้อยบังเอินพรรณาน้อยตายองไม่ตกร้องให้คิดยังไงก็ไม่ตก ร้องให้ฮะหาลวงปูชาหล <c oughs> องพ่อช่วยผมด้วยผมทุกมากแค่ไม่จกเลยอะไรเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเอาร้องทำไมก็หยุดพูดพนสิเรื่องใหญ่มันเรื่องอะไรนี่พูดให้ฟังนอนเมียผมตายอาอย่างนั้นนะ5้าพันรยาหลวงจ่ายพอไหมว่า มีภรรยาน้อยรักที่สุดตายทั้งที่ภรรยาหลวงก็ไปด้วยกันนะ <c oughs> เอ้ยเรื่องเล็กนี่โรคทางโรค เ, เ, เขาก็เกิดเขาก็กระจายเป็นมานานแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเดีย๋ยนี้คิดได้โอยหยุดร้องไห้เลยก่อนโอ้เรื่องใหญ่มากร้องไห้ไม่รู้ว่ากี่วันนะหลวงปู่ช า, าไม่พร้อม เอาโรคทังโรคเขาก็เกิดเขาก็ตายเป็นอยู่อย่างนี้นะเพิ่งรู้ตัวเหรอคิดอะไก็หยุดร้องไห้เลยนี่เลยเมื่อก่อนโอ้ยถ้าภรรยาหลวงตายไม่หวนะนี่ภรรยา น, น้อยตายดินี่แหละความเข้าใจคิดไม่ถึงอยู่ร่วมกันก็ต้องจากกันนี่ก็เป็นธรรมระของโรคฉะนั้นท่านจึงให้สั่งสมบุญให้ทำความดี เรื่องชีวิตเรื่องสังขารมันเป็นมานานแล้วขอไม่เที่ยงอย่างสังขารความเป็นอนัตตาแห่งธรรมเรารักที่สุดน้องเห็นที่สุดร่างกายของเราคนบุญคนวัดแต่ทำไมาจึงป่วยบางคนก็ไปนอนที่โรงพยาบาลนะบุญก็ไม่ช่วยเหลือทําบุญมามากแล้วไปไหนหมด เอาบุญก็ส่วนบุญนี่มันเรื่องขันห้าเรื่องสังขารมันคนละเรื่องนะรูปปั้งนิจังรูปไม่เทีย่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทีย่ยงท่านก็บอกว่ารูปปังนักกา ร, รูปไม่ใช่ตทวจนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตทวจนสเพสังขารานิย่า <c oughs> สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทีย่ยบความไม่เที่ยบอย่างสังขารความเป็นอนัตตาอย่างธรรมสัพเพธรรมานาตาัตติธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นอนัตตาให้ใชของใครนะมันเป็นของว่าถอ่ว่าเราไปหลงเขาต่งหามันเป็นอนัตตาดัานั้นเราจึงมีโทษรักที่สุดร้องเห่นที่สุด <c oughs> แต่ว่ามีโทษอยู่นะ โทษของกายเมีอภาสต่างๆเป็นต้นเป็นกันหมดทุกคนนะโรคสารพัดโรคถ้าคนไหนไม่มโรู้ก็เป็นลาภันประสรฐไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องเสียงเงินค่ายาเป็นลาภันประเสฐนะแต่ว่าโรคเราก็ยอมรับมันเป็นโทษของกายอาพาสต่งงางๆเป็นต้นสังขารนี้มันเป็นรังของโรค สารพัดโรคโรคทางกายแต่ว่าโรคทางใจร้อยเปอร์เซ็นนะทุกคนเป็นโรคทางใจเห็นแล้วยังไงเป็นโรคทางใจเราเคยทุบใจไหมถ้าทุบใจนะั่นโรคทางใจปรารถนาสิ่งอะไรไม่ได้เย่นนั้นได้ตัวทุบถ้าทุบใจนะั่นก็โรคทางใจแล้ว ไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นทุกนี่แหละอย่างน้อยที่สุดร้อยเปอรเซ็นทุกคนมีมีโรคทางใจโรคอะไรนะโรคซัดยางเคยเป็นไหมหาเท่าไหร่ก็ไม่พอนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อิม่มกินทุกวันทุกวันแต่ไม่เคยอิ่มเลยมันไม่อิม่มมันพร่องนี่แหละเราจึงหาธรรมะ เพื่อ <c oughs> เป็นยาใจสั่งสมบุญเป็นอาหารของใจถ้าพูะองค์่ัลไว้ว่าจงมาดูโรคเนี้อการรัชะะรสราชรสโ อ, โ อ, โอโ้ยตกแต่งสวยงามมากนะโรคกนี้กโพภาสถาคนจเจริญเก่าหน้านีหมดทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าตายไปหลายชั่วคนแล้วจเจริญขนาดไหนมันก็กอนตายไม่ได้ จะสวยขนาดไหนถ้าไม่ทำความนี้ก็ไม่มีคอนมหมายคันตายไม่ได้ขนาดนางงามจักรวาลตายไปหลายเส้าคนแล้วนี่คันตายไม่ได้นะรวยขนาดไหนก็ตายดังนั้นเราจึงเอาปัญญาจงเตือนตนด้วยตนเองตนแดเป็นที่พึ่งของตนองค์กคมีตนฝึกผลดีแล้วย่อมจะที่พึ่งที่ไร้โดยยากพึ่งอะไรเด้อ ก็พึ่งบุญนั่นเอนง้นปลายหองชีวิตให้มีใครไปเป็นเพื่อนนะมีแต่บุญเท่านั้นแหละจะเป็นเพื่อนสองของใจโชคโชกพกที่เราเกิดทัานเรียว่าโคทรัพสมบัติก็ดีแต่ว่าไม่เท่าเรียรัพถ้าเรียรัพเห็นเป็นมันเป็นรัพพายใดรู้จากประมาณในการบริโภค อย่าผืดเืลิงนะนี่ของไม่รู้จกักใช้ไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนล้านเนี้ยก็ตายจากมันไปเรด้วยกันไม่ได้ผืดเคื่องมากนี่ของไม่รู้จกักใช้แต่ถ้าพุ่มเฟื่อยก็ไม่ดีนะนี่มันเยอะทำไมถ้าไปยืมเขาก็เลยมีหนี้ถ้ามามีฝอยหมาก็ไม่ขี่นะถ้าม่มีหนี้เขาก็ไม่ทวง นี่แหละพุ่มเผือยก็ไม่ดีฝผือกเพื่องก็ไม่ดีพอดีมาชินมาปฏิปทาสายกลางอย่าฝผือกเพื่องนักอย่าพุ่มเผือกนัก่ก็กับอาหารอร่อยเรารับประทานมันอยู่ที่ไหนอาหารอร่อยอยู่ที่ไหนชาจืดอร่อยไหมชาเค็มอร่อยไหม ไม่อร่อยนะมันอยู่ที่ไหนก็อยู่พอดีใช่ไหมมันอยู่ความพอดีถ้าจืดมันก็ไม่อร่อยถ้าเค็มมันก็ไม่อร่อยมันพอดีใจของเราก็เหมือนกันอย่า ร, รักสิ่งใดใจยับยั้งมันทุกนะุกมาจากไหนล่ะมาจากรักที่ไหนมีรักที่นั้นมีุก อย่าได้ชั่งสิ่งใดใจจะวุน่นเรารังเกียจเขาเราชังเขาโอ้ยเราชกแทบตายเขาไม่รังเกียจเราเขาสบายแต่เรารังเกียจเขาเราชกมาก น, นะนี่แหลรู้วางเฉยวางใจเป็นกลางสบายนะอย่าได้รับสิ่งใดใ จ, จ ย, ยับยั้งอย่าได้ชั่งสิ่งใดใจจะวุน่น รู้วางเฉยไม่รักไม่สั่งย่อมเกิดคุณจงสร้างวุ่นแบบใหม่ใจว่างเย็นเ้าหาความพอดีนะถ้ารักมากมันก็โชกมากรักน้อยมันก็โชกน้อยรังเกียจมากรังเกียจน้อยมันก็โกคท่านไหนพยายามให้มีวิีารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่นะเดี๋ยวนี้ ผู้ใหญ่มีเป็นเครื่องอยู่มีวิหาหารธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่เมตตามีไหมในใจของเราเนะจจาี่ยจอกสาวชะสลายเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเกิดแก่เก็บใจเลื่อยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ความเมตตาจอกันเมตตาเป็นค ำ, ำคำคําชุนโลกเรามีความเมตตาไม่ผิดไม่เทียงไม่ทะเลาวิวาทกันนะ เมตตาตนแล้วก็เมตตาเพื่อนเมตตาสัตว์ทำไมจึงเมตตาสัตว์สัตว์ทุกชนิดรักชีวิตเหมือนกับเรานะรักชีวิตเหมือนกับเราท่านจะไม่ให้เบียดเพียนกันการุณาสงสารจะช่วยตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากทุกเพื่อนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันทั้งหมดจังสิ้นพรอยินดี เมื่อตอนเองและพืชทําความดีฉะนั้นเรามาทําวันนี้ไม่ห้ามไม่บังคับไม่กัดขวางไม่กีดกันการตั้นคุณงามความดีผู้อืน่นเราชวนเพื่อนทําบุญก็เป็นสะพานบุญพรอยินดีเมื่อตอนเองได้พืชได้ดีแต่ว่าถ้ามันเหลือวิสัยห้ามไม่ฟัง บอกเขาบอกให้เขาชวนเขาทำมีแต่เขาทําชั่วเขาไม่เห็นด้วยมีสาติทิเขาไม่เห็นด้วยเราเก็เฉยถึงเขาจะทําชั่วยังไงเราก็ไม่ได้กับเขานะบาปกรรมเทวราฟ้ารินจะลงโทษเขาเองไม่ต้องสงสัยเราก็เฉยสิ่งที่ควรวางเฉยหรือว่าวางใจเป็นกลาง ไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อชนเองได้พืนถึงก็ไม่หวัดอย่าไพยายันเขานะทำไมเห็นคนอื่นตกทุกข์ไดยากให้รู้ถูกคนยากคนจนเนี่ยไม่ดีนะแต่ว่าอย่าอิจฉาคนรวยบุญของท่านเราไม่รู้ถูกคนยากคนจนความของสัตว์ความคิดของเขาไม่ถึงเขาไม่อายชัวย่วความบา คนสุดท้ายเขาก็จะรับผลของบาปกรรมมันเป็นเงาจานตัวดังนั้นเราจึงรู้จักทำไมจึงสั่งสมบูรณ์ทำไมจึงทงความดีทำไมาจึงฟังธรรมมันแก่หลวงอย่าหลงโคลคอย่าหลงสังขาโรโลกกันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้นะตายไปหลายชั่วคนแล้วดินมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่มีใครเอาดินไปด้วยนะ น้ำหมาสมุดทั้งทะเลมันก็มีอยู่เหมือนเดิมมันไม่หมดนะทะเลไม่เคยอิ่มน้ํานี่แหละไฟก็เหมือนกันโขเขาไฟก็ระเบิดก็มีนะขนาดโขเขาก็ยังเป็นไฟอยู่นะอินโดนีเซียไปที่อาปีนั้นเน่ะเขาพาไปชมโขเขาไฟระเบิดนี่ดินน้ําแล้วก็ไฟลม ไม่หมดนะน้าทะเลก็ลมทะเลก็โอ้ยมันก็พัดอยู่ตลอดนะลมมันก็ไม่หมดมี่อจะคนหมดลมพระผู้ทรงรู้แจ้งโลกโรคกรวิู้รู้แจ้งโลกโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่ของใครนะธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่จะมาเอาโรคมันไม่ได้แล้ว จะเป็นเจ้าโลกก็ไม่ได้เปลนนะไม่ใช่ของใครธรรมะคือธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่ก็เหมือนกับพระเทศทัจจันนั่นแหละโรคมันบงังทําไมมันก็มืดแล้วก็สวา่างมืดแล้วก็สวา่างจะเกิดมากี่พบ ก, กี่ชาติมันก็จะเจอมืดแล้วก็สวา่างมืดแล้วก็สวา่างมันก็เป็นเข่ามวันอยู่อย่างนี้นะ มันไม่ดีไม่ชั่วนี่จะคนจัถ้าทําชั่วมันก็เศร้าหมองทําว่าเพียงเศร้าหมองเองไม่ทำบาเปเพียงก็หมดจดเองมันอยู่ที่ตัวเรานะทั้งว่ารู้ตามความเป็นจริงของโลกถ้าไม่รู้ความจริงก็ข่กขากันตายนะทำมายื้อแย่งกันแย่งที่ดินกันอยู่แย่งคู่กันพิจารวัฒ ยังอำนาจการคลองพ้นสุดท้ายก็ตายใครตายมันไม่มีใครอะไรไปด้วยเลยนี่แหละเราจรึงรู้จักธรรมะคือสภาวะที่ทรงไว้เกิดขึ้นมาแล้วทั้งที่เราไม่ต้องการไม่ปรารถนานะไม่อยากแก่ไม่อยากเก็บไม่อยากป่วยไม่อยากไข้ไม่อยากตายไม่อยากแต่ว่า มันเป็นสภาวะที่ทรงไว้ชีวิตของไม่เที่ยงความใจเป็นของเที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายมันไม่มียากแก้ตายนะมีแต่ยากแก้โรคยากแก้ตายไม่มีเลยประเทศอะไรก็ตางไม่มีนี่แหลโรคกันนี้โสภาสถาพรก็จริงแต่ว่ามันมีภัยใหญ่หลวงของโรคนะภัยใหญ่หลวงของโลกคืออะไร ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายมาแต่ไหนล่ะอาจจะเกิดช้าไม่เกิดก็ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าบุคคลไดเห็นด้วยปัญญาว่าแสางฐารทั้งหลายทั้งพวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาย่อมเกิดนิพพิจารความเมื่อนายคลายความกาหนัด มุ่งหวังก็ความดุดพ้นเพื่อมรักผลผนิพานเห็นภัยนะเห็นภพรในภาษาโงสาริรกขุคือผู้ขอภิกษุผู้เห็นภัยเห็นด้วยปัญญานะเราจะเห็นด้วยตาเนื้อตาหนังเห็นด้วยตาในตาใจตาปัญญาเหมือนพวกเรานี้ปัญญาชนวันฑิตทำความดี อภิษชอบร้อยกายวาจาใจนั้นบันฑิตแต่ว่าถ้าอภิษชั่วร้อยกายวาจาใจนั้นปัญญาสามนะไม่ใช่ปัญญาชนโทุกวันฑิตปัญญาชนก็มีปัญญาสามก็มีแต่พวกเ่านี้ปัญญาชนเป็นผู้มีปัญญาสอนตัวเองเตือนตนด้วยตนเองเอาปัญญาสอนใจนะ สอนคนอื่นไม่ได้สอ น, นตัวเรานี่แต่เราไม่ถรงหน้าที่สภาวะที่ทรงว่าทรงความจริงไว้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันพบในชาติไหนก็านถามเกิดขึ้นมาแก่มาเจ็บม า, ม า, มาตายาพระพุทธองค์ยังห้าร้อยชาตินะแต่พวกเรากี่ชาตินี่รู้ไหมเราเกิดมาไกี่ชาติรู้ไหมไม่รู้นะ แต่ในข้าใจพิโรธท่านก็ตัดไว้ว่าน้ำมหาสมุทรทะเลถ้าน้ำตาเรารวมกันแต่และภพระชาติล่วมกันเท่ากับน้ำมหาสมุทรนะแล้วก็กระลูกถ้ารวมกันก็เท่ากับโพเขาสุเนรุว่าอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ากี่พพ ก, กี่ชาติพระโพธิเจ้ า, ย, ายังห้าร้อยชาตินั่นแหละ วัตตวนวัตตทุกวัตตะสงสารเวียนว่ายตายเกิดถ้าจากไร ย, ยังไม่ถึงพระนิพพานต้องเกิดอวิชาเป็นเปือกชนาเป็นอย่างอวิชาชนาประธานกรรมอันกิเรสวัตตวนก ร, รมัตตวนวิภาคามัตตวันมันเวียนอยู่สามรอบนะนี่แหละเราจึงสักไฟสนใจ รู้ตามความเป็นจริงสภาวะที่รง้โลกทั้งโลกนี่ประเทศไหนก็ตามมีแต่คนแก่คนเจ็บ ค, คนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมีสองคนนะโลกทั้งโลกประเทศอะไรก็ตามมีคนสองคนใครสองคนกคนเกิดแล้วก็คนตายสิถ้ามีผู้หญิงก็ผู้ชาย ประเทศไหนก็ตามสองคนเอาปะเทิเอาเขาเทเอก็อปไปแตกผู้หญิงใช่หรอือผู้ชายไม่ใช่หรอนี่แหละมีสองคนนะปะเทศอะไรก็มีผู้หญิงก็มีผู้ชายมีคนเกิดแล้วก็ต้องมีคนตายโรคทั้งโรกมันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงอย่าหลงโรคอย่าหลงสังขานแต่รู้จักหน้าที่นะ ธรรมาคือหน้าที่พุทธะคือผู้รู้ไม่ใช่ผู้หลงถ้าหลงโลกหลงสังขารเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงจะเพลิดเพลินขนาดไหนก็ตามผลสุดท้ายก็จบละครชีวิตเรื่องอะไรต้องจบละครแต่ละเรื่องนะละครชีวิตพวกเราก็เคยแสดงละครมาแล้วไม่ใช่เถอะอดรักเคยแสดงไหม ถ้าม่เฉลีังหมดรักก็ไม่มีลูกมีหลานเล <c oughs> นี่แหละหมดรักนะระวังนะรักเขามากให้เขาหมดระวังมันจะเหลือแต่หยัางตานะโบดรักนี่เวลาจากกันก็ร้องไห้ล่ะโศกเลยนะโศกเศร้าเสียใจเลยนี่หาโกรธึ้นมาโอ้ยบู้ที่สุดเลยร้ายที่สุดตัวโกงนะ หาเรึ่อ ง, องมดินเพลิงเพลิดเ พ, เพลินสนุกสนานะตัวตลกใช่ไหมเถอะแต่บางคนเขาแสดงไปดูหมอรักศกตัวกกงเขาแสดงโอ๊้ไปรังเกียจเขานะเอ้ยมันร้ายที่สุดเลยเอ้ยจ้างเขาแสดงตัวโกงตัววู้เขาก็แสดงตามบทวาทเขาละสินั่นแหละละครชีวิตก็เหมือนกันทุกคนแสดงมาแล้วนี่รักก็เคยแสดงมาแล้ว โศกระวังนะมันจะตามมาเวลาจากกัน น, ะนี่เนี่ยโชกงก็ร้ายจี่สุดนะเวลาเราสลบเงี่หัดก็มีนะแต่ว่าแต่ละเรื่องมันต้องจบนะเราต้องรู้จักหน้าที่คือผู้ทักคือผู้รู้อย่าเป็นผู้หลงอย่าหลงโรคทำไมโรคนี้คือมูสัตว์ อันสระนำนำเข้ามาใกล้ไม่ยั่งไม่ยืนนะจะหาต่ออายุไม่ได้แล้วถ้าต่อไดอย่างนั้นก็ไม่มีใครตายหาต่อหมดเลยนะกลัวอะไรก็ไม่ชอบปวดตายนะหาต่อหมดแต่ว่ามันต่อไม่ได้นะของใครของมันเอาใครพัเอาอันเทียนหมดใช่แล้วมันก็หลักนะชีวิตเหมือนตะเทียนเวลาจุดแล้วมันยาวออกไหม กรุงเทพจุดเทียนแล้วยาวออกไหมไมายาวนะมีแต่สั้นเขา่าถ้าหมดใช่แล้วมันดับนะถ้าเดมเล็กหมดเร็วนะตายมาจต่ในท้องก็มีกำลังเป็นเด็กเป็นเล็กตายก็มีนะเเดมือนเด็กเทียนเดมเ็กถ้าเดมกลางก็กำลังลุ่มเขาร่วงสร้างฐานะครอบครัวโอ้ยไม่น่าใจเลยกำลังลุง่มต่ว่าเทียนเด็มกลางนะ ถ้าเทียนเล่มใหญ่ก็นานหมดร้อยปีร้อยกว่าปีนานหมดนะแต่ผลสุดท้ายก็หมดทุเล่มนะแค่ร้อยกว่าปีสองร้อยปีก็ตายเหมือนเดิมเหมนเด็กอยู่เพื่อจ่าเกิดก็เกิดเพื่อตายท่านเยาว่าอย่าลืมหน้าที่อย่าโลภหน้าที่โรคนี้คือมูสัตว์ไม่มีอะไรอะไรจะเป็นใหญ่เฉพาะตนนะเราเป็นใหญ่จริง แต่ว่าเป็นใหญ่เพื่อเล็กใหญ่ยังไงใหญ่เพื่อเล็กหมดลมหายใจเมื่อไหร่เล็กกว่าลมเลยขนาดว่านเราเขายังไมา่อยู่นะถ้าหมดลมนะลมไม่หมดแต่คนหมดลมสวยยังไงก็ไม่สวยรวยยังไงก็ไม่รวยนะถ้าหมดลมหายใจ น, ะนี่ภาวนาจึงรู้ลมเราอยู่ด้วยลมมนาะทุกวันนี้นะ่ะโอ้กิดไว้กับลมหายใจ ใจของเรารวมจะมีพลังนะพลังของจิตพลังของสมาธิพลังของฌานเหมือนพระพุทธเจ้านี่เดใจมีพลังเราอยู่ด้วยลมหายใจเราจึงรูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้ใช้ตังเองให้เป็นจึงจะเห็นสัจธรรมเรือความจริงใหญ่ก็จริงแต่ว่าใหญ่เพื่อเล็กนี่เด็ก โลกนี้คือหมูดสัตว์ไม่มีอะไรจะเป็นของของตนทนสุดท้ายจำต้องละถละิ่งทั้งหลายทั้งพรงไปไม่อยากจะไปนะถ้าป่วยมาก็ไปหาหมอก็โอ้ยเห็นคุณหมอเหมือนปบเทอลาเลยนะเหมือนกับเจ้าชีวิตเลยคุณหมอช่วยรู้วช่วยร่อยหมอก็ช่วยกันสุดความสามารถแต่เขาก็เอายาถามเอานะบางทีก็าหายบางทีก็าตาย ทำไมนพนาเป็นหมอก็ยังตายนะเป็นหมอก็ยังตายอันไม่มียากแก่ตายนี่แหละไม่มีอะไรจะเป็นของของชนผลสุดท้ายจ้องจากโลกนี้ไปผู้มีปัญญาสอนตัวเองอรรพอไปรจนภาชาหัว่าเตรียมตัวก่อนวันตายสร้างความดีก่อนวันตายชกคน มีจุดจบความตายรอรอเราอยู่ข้างหน้าไม่ว่ารวยหรือจนก็ไม่พ้นความตายทุกสิ่งทุกอย่างมันกันไม่ได้นะเราจึงมีปัญญาสอนใจอย่าเพลิดเพลินในโรคทั้งปวงแล้วถามตัวเองว่าบางทีมันลืมเนะื้อลืมตัวนะลืมทำความดีเราถามตัวเองว่าออการตายได้ไหมนี่ถ้าเราไม่ทำความดี จะไม่มีความหมายนะเราจะขาดทนกำไรชีวิตก็คือบุญนี้แหละเราจึงไม่ลงหน้าที่ทำหน้าที่มันพ่องโลก น, นี้พ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิม่มเป็นธาตุแห่งตัณหาเราเป็นธาตุเขาอยู่นะทุกวันนี้นะ่ะธาตุเหล็กกามาตัณหานี่เหลส จ, จักรามวัตถุกามเราเป็นธาตุเขานะ เราใช้เงินทุกวันนี้อารู้ไหมว่าเงินใช้เราก่อนเลี่ยนะเงินใช้เรายังไงเอาใช้เราทำงานนะสิถ้าเราไม่ทำงานก็ไม่มีเงินเงินใช้เราก่อนนะแต่ว่าเงินใช้เราทำงานทีนี้เราก็ใช้เงินต่อนี่แหละมันเป็นวัฏตักเราทำงานก็ได้เงินนี่แหละ เราเป็นธาตุเขาินิส ก, กรรมวัตถกรามสธรร ม, ตมตร ะ, ะตัญหาพระวัตัญหาวิพระวัตัญหาพ่องอยู่เป็นนิสไม่รู้จักอิม่มเป็นธาตุแห่งตัญหาเราเป็นธาตุเขาอยู่นะธาตุของตัญหาเราไหมเมื่อ<ม>ไรเป็นธาตุคนแต่ว่าเป็นธาตุกัญหาตัญหาผู้สร้างพภก การเกิดทุกคราเป็นทุกล่ําไปพระพุทธเจ้ายัางตรัสว้ว่าตัตหาลายชนะทุกทั้งผ่วงรัตหาเสียท่านจะไม่เกิดอีกถ้าคนในรัตหาเลยไม่เกิอดอีกการมัตหาเพราะว่าตันหาวิเพะว่ันหาบ่เกิดหนึ่งทุกตันหาผู้สร้างพบเรานั่งนานๆทาไมจึงชก เรารักที่สุดทำไมจึงทุกข์ชาติพีทุกขา์ามันทุกข์มาใจวันเกิดทำไมเกิดขึ้นมาไม่มีหัวมิจะร้ อ, องไห้ใช่ไหมทำไมจึงร้องไห้มันทุกข์โอ้เรารักขนาดนี้มันก็ยังทุกข์อยู่นะนี่หละชาติพีทุกขา์าความเกิดเป็นทุกข์ เราจึงรู้จากหน้าที่รับผิดรับชอบหน้าที่ของใครของมันอย่าลงหน้าที่นี่แหละทำมาคือผลก็ผลอะไรหนอก็ผลของบาปผลของบุญมีอำนาจให้ผลข้ามภพข้ามชาตินะถ้าไม่มีผลบาปผลบุญจะไม่มีคนจนเลยจะมีแต่คนรวย จะไม่มีคนขี้ดีจะมีแต่คนสวยทำไมจึงแบ่งชาติชั้นวรรณะต่างกันทำไมทั้งที่อยากจะรวยเหมือนกันอยากจะสวยเหมือนกันก็ผลของบาปของบุญพระพรธเจ้าจึงแก้ปัญหาอา น, นิสงส์ทานรวยนี่ไม่จนคนที่จนนั้นไม่เคยทำบุญทำทาน ถ้าใ น, นสงสินสวยเหมือนพวกเรานี้คนขี้ดิเกิดขึ้นมาทําไมเอา้าเพราะไม่เคยรักษาศีลก็เลยขี้ดิเราเป็นผู้เลยทำบุญมาหลาชาติก่อนปางก่อนอุรุณสมบูร์แล้วนี่แต่บุญของเราท่านพวกเราจรึงรู้จักบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญให้ผลข้ามพบข้ามชาติทำรรมรคือผลเพราะการกระทําให้เหมือนกัน บางคนก็ทำบุญเป็นนิสัยทำ่ากเป็นนิสัยจบบใจระบุญให้เพอให้สมัภาคกันได้ยังไงย่อมจำแนกสันเด็วและปลานี่ต่างกันฉันโภมใจวันนี้ได้มาเจอคนบุญเคยได้ทำบุญมาแล้วแต่ตราก่อนฟังก่อนรมสมบูรณ์เพิ่มเติมบุญให้ยิ่งขึ้นไปอันนี้ให้ข้อคิดเป็นกติเตือนใจ ก็คงจะพอสมควรเก่เวลารืนิสงผลบุญพลทานคุณงามความดีที่สั่งสมมานี้ขอจงปกปักรักษาคงครองพวกเราทุกคนมีความสุขความเจริญอายุวันก่อนยืนร่วยกันทุกท่านทุกคนเทียนสาธุ